วันนี้จะขอเริ่มต้นที่คาถาที่พระใช้สวดเวลาพิจารณาชักผ้าบางสกุลคืออนิจจาวตาสังขาราอุปดวัวะยาธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติ เตยสั้งบุปะสมุสโคแปลว่าสังขารทั้งหลายเช่นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับการปล่อยวางสังขารทั้งหลาย เป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือคาถาที่พระจะสวดในเวลาที่ไปชักผ้าบางสกุลในงานศพต่างๆเรามักจะได้ยินพระท่านสวดคาถานี้ซึ่งเป็นบทคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักความจริงและรู้จักวิธีปฏิบัติกับความจริงที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์จากการที่ได้พบกับความจริงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประสมปรุงแต่งของสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสังขารในโลกนี้มีสิ่งอยู่สองพวกด้วยกันสิ่งที่เป็นสังขารและสิ่งที่ไม่เป็นสังขารสิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็มีอยู่หกเรียกว่าธาต คือธาตุดินธาตน้ำธาตุดมธาตุไฟธาตุรู้และอวกาศธาตุธาตุทั้งหกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการผสมปรุงแต่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดได้ไม่ดับคือเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดเวลา ส่วนสิ่งที่เกิดจากการผสมปรงแต่งของธาตุทั้งหกหรือธาตุทั้งห้าหรือธาตุทั้งสี่นี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อมารวมตัวกันแล้วก็ต้องมีการแยกตัวกันออกไปเสมอเพราะธาตุทั้งหกนี้จะไม่รวมกันจะพยายามแยกตัวออกจากกันเสมอธาตุดินก็จะ แยกไปอยู่กับธาตุดินธาตุน้าก็จะแยกไปอยู่กับธาตุน้ำธาตุลมก็ไปอยู่กับธาตุลมธาตุไฟก็ไปอยู่กับธาตุไฟธาตุรู้ก็จะอยู่กับธาตุรู้และอวกาศธาตุก็จะอยู่กับอวกาศธาตุแต่เมื่อเวลามารวมกันก็ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่น ถ้าเป็นการรวมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะเป็นพวกต้นไม้พวกพืชต่างๆตรกนี้เป็นธาตุสี่รวมกันไม่มีธาตุรู้คือธาตุที่ห้าถ้ามีธาตุที่ห้าธาตุรู้มารวมด้วยก็จะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายธาตุรู้นี้เป็น ธาที่มีความรับรู้มีความรู้สึกนึกคิดถ้าไม่มีธาตุรู้นี้ก็จะเป็นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆต้นไม้ใบหญ้าก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์และของสัตว์เดรัจฉานต่างกันตรงที่ร่างกายของสัตว์ ของมนุษย์และสัตว์เดราชฉานี้มีธาตุรู้มาร่วมด้วยธาตุรู้คือใจที่เราใช้ในการคิดในการรับรู้เรื่องราวต่างๆใจนี้เป็นธาตุรู้เมื่อมารวมกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือร่างกายก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็น เดลชานขึ้นมาแล้วเมื่อถึงเวลาธาตุทั้งสี่ทั้งห้าก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะหายไปจะบุบจะย่อยสลายหายไปเพราะธาตุต่างๆที่รวมกันในร่างกายก็จะแยกทางกันไปธาตุน้ำก็ แยกออกไปธาตุลมก็แยกออกไปธาตุไฟก็แยกออกไปธาตุดินก็แยกออกไปธาตุรู้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่จะพาให้ไปสู่ภพต่างๆ นี่คือเรื่องของสังขารคือร่างกายของพวกเราทั้งหลายร่างกายของพวกเราประกอบจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีใจผู้รู้ผู้คิดมาเป็นผู้ครอบครองร่างกายนี้ จึงทให้ร่างกายนี้สามารถทาอะไรต่างๆได้ที่ทำได้ก็เพราะมีใจเป็นผู้สั่งผู้สอนให้ทำอะไรต่างๆสอนให้พูดสอนให้เดินสอนให้รับประทานสอนให้ดื่มนะ้ำนี่คือเรื่องของ ร่างกายและจิตใจของพวกเราที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราเรามีธาตุทั้งห้ามารวมกันอจึงมีร่างกายและจิตใจร่างกายนี้มีดินน้ำนมไสมารวมกันจึงเป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอ เพราะว่าธาตุทั้งสี่ที่มารวมกับร่างกายนี้จะต้องแยกตัวออกกันเสมอเพราะธาตุเขาธาตุก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมธาตุดินก็จะกลับไปสู่ธาตุดินกลับไปรวมกับธาตุดินธาตุน้ำก็จะกลับไปรวมกับธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกัน จะไม่จะไม่อยู่กับธาตุดินน้ำลมไฟไปได้นานการที่เขามาอยู่รวมกันก็เพราะมีเหตุดึงให้เขามาอยู่รวมกันก็คือมีการดื่มน้ํามีการรับประทานอาหารมีการหายใจเข้าออกจึงทําให้เกิดมีการมารวมของธาตุทั้งสี่แต่ ก็ไม่สามารถที่จะรวมธาตุทั้งสีไว้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วธาตุทั้งสีนี้ก็จะแยกออกแยกตัวออกไปเวลาธาตุทั้งสีนี้แยกตัวออกไปเราก็เรียกว่าคนตายพอร่างกายไม่มีธาตุรู้ที่ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ไปเกิดใหม่ตัวที่ไปเกิดใหม่นี้คือธาตรู้ตัวที่รู้ที่คิดที่คิดว่าเป็นเราเป็นเขาที่คิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือตัวธาตรู้นี้ตัวธาตรู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวธาตรู้นี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ที่เรียกว่าไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็มาใช้ร่างกายอันใหม่ทาอะไรต่างๆทําไปจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เราจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะท่านรู้ นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ของธาตุรู้คือของใจใจใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆเวลาเราไปเที่ยวเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเวลาเราไปทำงานเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเวลาเราไปดื่มไปรับประทาน ไปดูไปฟังอะไรเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำเราต้องใช้ร่างกายเพราะว่าเราต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเราจึงต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าได้เราก็เลยต้องอาศัยร่างกายเมื่อเราอาศัยร่างกายเราก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นมีความผูกพันกับร่างกายอันนี้แล้วก็ทำให้เกิดมีความอยากไม่ให้ร่างกายอันนี้เป็นอะไรไป อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆนไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายความอยากนี้ก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากร่างกายนี้จะต้องมีวันแก่จะต้องมีวันเจ็บและจะต้องมีวันตายไปเราจึงมาทุกข์กับร่างกายกัน ทั้งๆ ท, ที่เราเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายท่ารู้นี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายท่ารู้ก็เป็นท่ารู้อยู่เสมอเพียงแต่ว่าท่ารู้มายึดติดกับร่างกายเพราะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ พอเวลาที่ร่างกายหมดสภาพไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจเราจึงไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายกันแต่เราก็ไปห้ามความจริงของร่างกายไม่ได้ว่าร่างกายนี้เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟ ที่จะแยกออกจากกันอยู่เรื่อยๆทุกเวลาเที่เราเอาดินน้ำลมไฟมารวมกันดินน้ำลมไฟนี้เขาก็จะพยายามแยกตัวออกจากกันเขาไม่ชอบอยู่ร่วมกันดินไม่ชอบอยู่กับน้ำกับลมกับไฟลมก็ไม่ชอบอยู่กับน้ำกับดินกับไฟต่างฝ่ายต่างอยากอยากจะกลับไปอยู่กับพวกของเขา ดินก็อยากจะไปอยู่กับดินน้ําก็อยากจะไปอยู่กับน้ําลมก็อยากจะไปอยู่กับลมไฟก็อยากจะไปอยู่กับไฟแต่พอเราเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันเราก็ได้ร่างกายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวร่างกายนี้ก็จะหายไปเพราะดินน้ําลมไฟเขาก็จะไม่ยอมอยู่ร่วมกันพอเวลาที่เขาแยกกันออกไป ความตายก็ปรากฏขึ้นมาก่อนจะตายก็เกิดความแก่ขึ้นมาก่อนความแก่นี้ก็บอกชี้ ส, ชสัญญาณบ่งบอกว่าการแยกตัวของดินน้ําลงฝ่ายเริ่มมีกําลังมากขึ้นเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสัญญาณบอกว่าการแยกตัวของธาตุทั้งสี่นี้กําลังมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับ และพอร่างกายนี้ตายหยุดหายใจก็เป็นการบอกว่าการแยกตัวของธาตุทั้งสี่ได้เริ่มต้นแล้วไม่มีการรวมตัวของธาตุทั้งสี่อีกต่อไปร่างกายของคนที่ตายแล้วถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆถ้าเราไปไปแตะต้องร่างกายเราจะรู้สึกว่า มันเย็นมันไม่เหมือนกับร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่เพราะธาตุไฟได้ออกไปก่อนแล้วแล้วธาตุที่สองก็คือลมก็คือกลิ่นที่ระเหยออกมาจากร่างกายแล้วก็มีน้ำที่จะไหลออกมาต่อไปทิ้งร่างกายไว้เดี๋ยวร่างกายก็ต้องมีน้ำต่างๆไหลออกมา ไหลจนกระทา่งร่างาร่างกายนี้ไม่มีธาตุน้ำเหลืออยู่ร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วต่อไปก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือสังขารที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับ ถ้าไปยึดไปติดกับสังขารก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าปล่อยวางสังขารใจก็จะไม่ทุกข์วิธีที่เราจะปล่อยวางสังขารคือร่างกายนี้ได้เราต้องปล่อยด้วยการไม่ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาให้ความสุขกับเราถ้าตราบใดเรายังต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขกับเราเราก็ต้องยึดติดกับร่างกายไปเรื่อยๆแต่เรายังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ยังจะต้องยึดติดอยู่กับร่างกายอันนี้แล้วเราก็จะต้องทุกกับร่างกายอันนี้เวลาที่ร่างกายอันนี้แก่เจ็บแล้วตายไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามา พึ่งสิ่งที่ดีกว่าการพึ่งร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปให้เรามาสร้างความสุขชนิดใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอนนี้เรามีความสุขได้ต้องมีร่างกายเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราถึงจะเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผลพะชนิดต่างๆได้เราถึงมีความสุขกันได้แต่ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะวันหนึ่งร่างกายก็ต้องไม่สามารถเสกความสุขต่างๆได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตาย เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจหรือเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปรูปเสียงกลิ่นลดที่เราเสพนี้มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่บางทีมันมาบางทีมันก็ไปเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดที่เรารักเราชอบเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กัน นี่เป็นเพราะว่าเรามาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมาอาศัยรูปตาหูจมูกมิ้งกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรานั่นเองเราเลยต้องทุกข์เวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะและตาหูจมูกมิ้งกายเกิดอาการที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเราได้ เราก็เลยทุกข์กันเช่นเวลาเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปก็เหมือนกับสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะไปเราจะไม่สามารถเห็นรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะของบุคคลนี้ได้อีกแล้วเพราะเขาได้สลายไปแล้วเพราะร่างกายของเขาทำมาจากดินน้าลมไฟและ ดินน้าหลงไฟนั้นก็แยกตัวกันไปไม่มีบุคคลนั้นหลงเหลืออยู่อีกต่อไปถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเรื่องของของสังขารต่างๆที่ไม่ที่มแท้แน่นอนเราต้องเลิกใช้สังขารต่างๆมาให้ความสุขกับเราต้องเลิกใช้ร่างกาย ต้องเลิใช้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราการที่เราจะเลิกใช้มันได้เราต้องมีวิธีอื่นที่จะทำให้เรามีความสุขทดแทนถ้าเรามีความสุขแบบใหม่ที่ให้ความสุขดีกว่าความสุขแบบที่เรากำลังมีอยู่เราก็จะสามารถเลิกหาความสุขแบบที่เรากำลังหาอยู่นี้ได้เลิกพึ่งพาอาศัยร่างกายได้ เลิกยึดติดร่างกายนี่ได้เลิกยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้ <c oughs> เราจึงต้องมาศึกษาวิธีสร้างความสุขชนิดที่ไม่ต้องใช้ร่างกายชนิดที่ไม่ต้องใช้สังขารต่างๆมาให้ความสุขกับเรา <c oughs> วิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุข โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและสังขารต่างๆก็คือการทำใจให้สงบนี่เองถ้าเราสามารถควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งได้ให้ใจตั้งอยู่ในความสงบได้ใจก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความ ความสุขที่ได้จากสังขารทั้งปวงนัติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าพวกเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วเราจะเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้สังขารต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาให้ความสุขกับเรา เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขแบบนั้นแล้วเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนี่คือเหตุที่พวกเราต้องมาวัดกันมาศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจกันเมื่อเราได้ศึกษาวิธีแล้วรู้ว่าวิธีของการสร้างความสุขทางใจนี้เป็นอย่างไร เราก็นำเอาไปปฏิบัติกันการจะปฏิบัติสร้างความสุขทางใจเราก็ต้องเลิกหรือ้องงับการไปหาความสุขทางร่างกายด้วยการรักษาศีลแปดกันศีลแปดนี้ก็จะกันไม่ให้พวกเราไปหาความสุขทางร่างกายกันไม่ให้หาความสุขจากการน่่มหลับนอนกัน ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบตามความอยากรับประทานได้แต่ให้รับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานตามความอยากถ้ารับตามความอยากก็จะไม่มีเวลาอยากเมื่อไหร่ก็จะรับประทานเมื่อ น, นั้นอันนี้ก็เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการรับประทานอาหาร แล้วก็ให้ระ ง, งับการหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูภา พ, พยนตร์ไปฟังเพลงไปเที่ยวไปงานเลี้ยงต่างๆและการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆด้วยเสื้อผ้าอภรรต่างๆ อันนี้เป็นการหาความสุขผ่านทางร่างกายและสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสังขารทั้งหมดซึ่งจะทําให้เราต้องทุกข์เพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเขาอาจจะจากเราไปหรือเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเอาเขามาให้ความสุขกับเราได้เราถึง เราต้องมีข้อห้ามข้อบังคับไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันถ้ารักษาศีลห้านี้ยังไม่มีข้อห้ามในการหาความสุขทางร่างกายผู้ที่ถือศีลห้ายัางร่วมหลับหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันได้หาความสุขจากการรับประทานอาหารได้อยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ไม่มีข้อห้าม อยากจะหาความสุขจากมหรสลพบันเทิงต่างๆก็ทําได้อยากจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, นอนให้สบายให้มีความสุขก็นอนได้ขินห้าจึงไม่มีความสามารถที่จะมายับยั้งการไปหาความสุขทางร่างกายได้ผู้ที่ต้องการยับยั้งการหาความสุขทางร่างกาย ยับย้างการพึ่งร่างกายเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขก็ต้องถือศีลแปดกันขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อนี้เป็นข้อห้ามที่จะทำให้เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพื่อที่จะทำให้เรามีเวลามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกัน ก็คือจากการมาบำเพ็ญจิตตะภาวนากันจิตตะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบและการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความอยากต่างๆรู้ทันความโลภต่างๆเพื่อที่จะได้ระ ง, งับความโลภความอยากที่อยากจะไปใช้ร่างกายหาความสุขกันนี่คือวิธีที่เราจะ ปล่อยวางสังขารต่างๆได้ปล่อยวางร่างกายที่ทําให้เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันได้เราต้องมีที่พึ่งอันใหม่ตอนนี้เราพึ่งร่างกายของเราและของคนอื่นให้ความสุขกับเราเวลาเราสูญเสียร่างกายไปไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่น เราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะเราไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายของเขาหรือร่างกายของเราได้แล้วอีกต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้พึ่งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นให้ความสุขเรามาพึ่งการทำใจของเราให้สงบให้เป็นที่พึ่งของเราให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อน เวลาร่างกายของไขรเป็นอะไรไปหรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราเลิกพึ่งร่างกายนี้ได้แล้วเลิกพึ่งร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่นได้เพราะเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบภายในใจของเราเองแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้ เราเลยยังต้องพึ่งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นอยู่เราจึงต้องมาพยายามสร้างความสงบกันให้ได้และรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปอย่างถาวรถ้าเราสามารถสร้างความสงบและรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเราก็จะเลิกพึ่งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นได้ อย่างถาวนเวลาที่ร่างกายของผู้อื่นหรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับ การปล่อยวางสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขกันอย่าไปยึดติดกับสังขารคือร่างกายของเราและสิ่งต่างๆที่เราใช้เสพใช้ให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเวลาดับมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจให้เรามาพึ่งสัง ให้เรามาพึ่งความสงบของใจด้วยการบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจและรักษาความสงบให้กับใจไปอย่างถาวรสมถะภาวนานี้เป็นตัวสร้างความสงบให้กับใจวิปัสสนาภาวนานี้เป็นตัวรักษาความสงบที่ได้จากสมถะภาวนา ให้สงบไปอย่างถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่เพื่อที่เราจะได้มาทดแทนความสุขในรูปแบบเก่าที่เรากำลังใช้กันอยู่ในขณะนี้ในตอนนี้เรายัางใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุข จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจึงต้องมาร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆและร่างกายของเราเองล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรมีการเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาดับไปก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเรายังมาพึ่งร่างกายนี้และร่างกายของผู้อื่นและสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่จึงทําให้เราต้องเจอกับความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นของชั่วข่าวเขามารวมตัวกันเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็แยกตัวกันไปกลับคืนไปสู่ดินน้ําลมฝ่ เราจึงต้องมาเจริญส ม, มถภาวนาวิปัสสนาภาวนากันถ้าเราจเจริญส ม, มถภาวนาได้สำเร็จเราก็จะได้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบแต่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบพอจิตถอนออกจากความสงบมาคิดปรุงแต่งเริ่มมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากที่จะเสพ สิ่ ง, งต่างเหล่านี้ยังไม่ได้ตายไปมันก็จะมาดึงให้เราไปเสพใหม่อีกถ้าเราไม่มีวิปัสสนาภาวนาคือไม่มีปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากกันเพราะการทำตามความอยากก็จะพาให้เรากลับไปหาความวุ่นวายไม่ใช่กลับไปหาความสงบวิธีที่จะให้ใจของเรา ดำลงอยู่ในความสงบต่อไปก็คือเราต้องไม่ไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบต่อไปตอนนี้ฝน ล, ลงนิดหน่อยจะขยับก็ได้จะนั่งต่อไปก็ได้ถ้าจะขยับก็มีศาลาสองหลังเชิญขึ้นไปศาลาไม้ก็ได้ศาลาปูนก็ได้ ใครที่อยู่ใกล้ลําโพงก็ฮิ้วลําโพงไปด้วยนะเพอจะได้เอาไปฟังต่อได้ใครใครอยู่ใกล้ลําโพงก็ช่วยหิ้วลําโพงไปไปตั้งไว้ที่ใหม่ที่ท่านจะไปนั่งกันก็เป็นเรื่องของธรรมของธรรมชาติเดี๋ยวหนุ่มช่วยขยับไปทางนั้นเพราะตรงนี้มันเป็นกล้องตั้งอยู่ ขอมุมกล้องไวหน่อยเดี๋ยวคนทางบ้านมองไม่เห็นหน้าอศาลาหลังนั้นก็มีสองชัน้นชั้นบนชั้นล่างก็นั่งได้ชั้นบนก็กว้างขวางนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารผลฟ้าอากาศก็เรียกว่าสังขาร ดังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับการดับของสังขารทั้งหลายเราก็ต้องเลิกพึ่งสังขารทั้งหลายเลิกพึ่งร่างกายของเราเลิกพึ่งร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับเราแล้วให้เรามาพึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างและรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ก็คือความสงบของใจซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเราต้องมาหัดเจริญจิตตภาวนากันมาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันและต้องมารักษาศีลกันรักษาศีลแปดกัน เพราะเราจะได้มีเวลามาภาวนากันไม่ใช่ภาวนาแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการชิมอาหารยังไม่ได้เป็นการรับประทานอาหารถ้าจะรับประทานอาหารนี่ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาที่เรานอนหลับเท่านั้นที่เราจะไม่ปฏิบัติกัน การปฏิบัติแบบวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนี้เป็นการชิมรางเป็นการทดสอบดูว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นอย่างไรเหมือนกับเราไปชิมอาหารที่เราไม่เคยรับประทานเรายัางไม่กล้าสั่งมาทั้งจานขอชิมชักคำหนึ่งก่อนถ้าชิมแล้วรู้ว่ารสเป็นอย่างไรถ้าชอบเราก็จะได้สั่งมาทั้งจานได การที่เราลองนั่งสมาธิกันวนลาครึ่งชั่วโมงวละชั่วโมงนี้เป็นการชิมความสงบก่อนดูว่าดีไหมถ้าดีแล้วถูก อ, อกถูกใจแล้วก็จะได้รับประทานกันอย่างเต็มที่ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ดังนั้นปัญหาของพวกเราตอนนี้คือเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไปซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไปเพึ่งร่างกายไปเพื่องสิ่งต่างๆที่ไม่ถาวรที่มีเกิดแล้วต้องมีดับไปเวลาเกิดก็ดีใจกันเวลาดับก็เสียอกเสียใจกันเรามาเพื่อในสิ่งที่จะไม่เกิดไม่ดับดีกว่าสิ่งที่ไม่ดับก็คือความสงบที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วยการบาเพ็ญ สมถภาวนาลาวิปัสสนาภาวนาการบําเพ็ญสมถภาวนาก็คือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้ความสุขอันนี้แล้วเราก็ใช้วิปัสสนาภาวนามารักษามาป้องกันไม่ให้ความสุขนี้หายไปถ้าไม่มีวิปัสสนาเดี๋ยวความสุขที่เราได้จากสมถภาวนามันก็จะหายไปได้ พอเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอเรามาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไปทำตามความอยากความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิก็จะหายไปแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเอาความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงเกลิ่นรสผลทพะแทนถ้าเราไม่อยากจะกลับไปในทางเดิม เวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนใจเวลาเกิดความอยากที่จะไปเสพไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิงกายไปเสพความสุขทางร่างกายเราก็ต้องบอกว่าอย่าเสพอย่าทาเพราะทาแล้วมันก็จะทําให้เราวุ่นวายใจความสุขที่เราได้มันเป็นความสุข ชั่วคราวเดียวเดียวแล้วเวลาที่เราสูญเสียมันไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือขั้นของการสร้างความสุขให้เป็นที่พึ่งความสุขทางใจให้เป็นที่พึ่งของเราอย่างถาวรก็คือต้องขั้นต้นต้องทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็ใช้ปัญญาหรือวิปัสสนานี้มาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่าง พอเวลาเกิดความอยากใจก็จะเริ่มไม่สงบแล้วใจก็จะเริ่มแขว่งแล้วพอไปทำทำตามความอยากใจก็ยิ่งจะแขว่งขึ้นไปใหญ่พอเวลาที่ไม่ได้ก็จะเสียใจเวลาได้มาแล้วหมดไปก็จะเสียใจอีกสู้อยากไปหาสิ่งต่างๆดีกว่าเพราะมันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกันอันนี้คือวิปัสสนาหรือปัญญา ที่เราจะใช้สอนใจหลังจากที่เราได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วแต่เราไม่สามารถนั่งสมาธิไปได้ตลอดชีวิตเนะีเพราะร่างกายนี้มันจะเป็นที่จะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูมีการเคลื่อนไหวถ้าให้มันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็เป็นเป็นอะไรไปได้จึงต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาดูแลร่างกาย แล้วพอออกมาความอยากที่ยังมีอยู่ในใจกิเลสตัณหาตัวที่จะมาทำลายความสงบที่ยังมีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนานี้มาทำลายมันคือไม่ต้องทำตามความอยากไม่ต้องทำตามความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นการพาไปสู่ความสุขนั่นเองนี่คือ การปฏิบัติสองขั้นด้วยกันหรือถ้านับถึงศีลก็สขั้นที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือตั้งแต่ศีลแดขึ้นไปศีล8ศีลสิศีล ส, ส, ส, สองอยเจดอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะ ก, การไม่ให้เราไปเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจ วิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องมีเครื่องมือหยุดความคิดสิ่งที่จะหยุดความคิดได้นี้เราเรียกว่าสติเราต้องมีสติถ้ามีสติเราจะหยุดความคิดได้ตอนนี้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเรารู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเพียงอย่างเดียว ชให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรเราก็ให้รู้อยู่กับการกระทํานั้นเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นเช่น <izzard. S 2> เรากําลังล้างหน้าแปรงฟั น, น, <akkor S 2> นก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันกําลังอาบน้ําแต่งตัวก็ให้อยู่กับการอาบน้ําแต่งตัว กำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเพราะถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็จะทําให้ใจไม่นิ่งไม่สงบไม่อยู่เป็นที่เราต้องให้ใจอยู่เป็นที่ให้อยู่ในที่เดียวอยู่ในเรื่องเดียวถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ใช้พุโทโธลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นก็พุโทโธพุโทโธไป แม้ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องที่กําลังที่ต้องคิดเช่นกําลังทำงานอะไรอยู่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานตอนนั้นเราก็หยุดพุดโทโธได้ให้มีสติอยู่กับความคิดไปแต่ถ้าไม่คิดได้จะดีกว่าเพราะคิดแล้วมันจะไม่สงบ ถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะสงบได้ดังนั้นผู้ที่อยากจะทําใจให้สงบจึงมักจะต้องไม่ทํางานกันถ้าทํางานแล้วมันจะต้องใช้ความคิดกันเมื่อใช้ความคิดใจก็จะไม่มีวันสงบได้คนที่อยากจะได้ความสงบจึงมักลาออกจากงานไปอยู่เป็นนักบวชกันไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อจะได้หยุดความคิดกัน แล้วถ้าพอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งจะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมามถ้ายังไม่มีสติหยุดความคิดก็ต้องสร้างสติ<ม>วิธีสร้างสติที่แสดงไว้ก็มีสองวิธีเช่นใช้พุทโธพุทโธไปหรือใช้การเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปไหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถ้าร่างกายไม่ได้ทาอะไรนั่งอยู่เฉย ก็ให้ดูการเข้าออกของลมหายใจอันนี้เป็นการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเครื่องสร้างสติได้แทนที่จะใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายล้วก็มาใช้การเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกให้มีอะไรดึงใจไว้ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมีอะไรผูกไว้ใจไม่ไปคิด แล้วถ้านั่งกายนั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งสงบจะรวมเป็นหนึ่งเข้าสู่สมาธิได้พอใจสงบเข้าไปในสมาธิแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆ<ม>พอเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้แล้วต่อไปเราก็เลิกหาความสุขทางร่างกายได้เลิกหาความสุขตามความอยากต่างๆได้ เวลาเกิดความอยากจะไปหาความสุขเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่เราไปหานั้นเป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าไม่ช้าก็แล้วสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไปพอเขาจากเราไปเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้มองอย่างนี้ให้มองว่าทุกอย่างที่เราไปหานั้น เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้เป็นเหมือนเดิมได้เสมอเมื่อเราควบคุมบังคับไม่ได้เขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการพิจารณาวิปัสสนาปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นี้เองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าทุกอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจนารณาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะกําจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาภายในใจของเราได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องสอนใจอีกแล้วใจฉลาดแล้วใจรู้ทันแล้ว ใจรู้ว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่การมีความทุกข์ก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปเมื่อไม่มีการทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วใจก็จะอยู่กับความสงบไปตลอดไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆใจจะมีความสุขไปตลอดเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อน แล้ก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกมาให้ความทุกข์กับใจต่อไปนี่คือใจของผู้ที่หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงผู้ที่ปล่อยวางสังขารทั้งปวงได้ก็จะเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขังนี่เองใจที่ปล่อยวางสังขารได้หมดก็คือละตันหาความอยากที่จะใช้สังขารทั้งหลายให้ความสุข เมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้สังขารทั้งหลายให้มีให้ให้ให้ความสุขกับใจใจกับมีความสุขมากกว่าการใช้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองพอมันจางไปหายไปความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาแทนที่นี่คือวิธีที่เราจะปล่อยวางละสังขารทั้งหลายได้ด้วยการมา จเจริญศีลสมาธิปัญญากันรักษาศีลของนักบวชกันตอนต้นเราก็หัดรักษาศีลห้าไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้เราก็ต้องหัดรักษาศีลห้าไปก่อนพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็มารักษาศีลปถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ก็เป็นเพราะว่าเรายังมีความโลภอยากจะได้ความสุข จากการใช้เงินทองจากการหาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆคนที่ยังโลภอยากได้เงินทองอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงินใช้ทองมักจะเห็นว่าการรักษาศี่ห้านี้เป็นอุปสรรคเพราะจะหาเงินแบบง่ายๆอรง่ายๆเร็วๆไม่ได้ถ้าเรายังรักษาศี่ห้าไม่ได้แสดงว่าเรายังโลภยังอยากได้เงินทองมากอยู่ เราก็ต้องหยุดการใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ดีใช้เงินทองไปในทางในใ น, ในการทำตามความอยากต่างๆแล้วเอาเงินทองนี้มาทําบุญแทนถ้าเราสามารถเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆมาทําบุญแทนได้เราจะทำให้ความโลภอยากมีเงินทองนี้น้อยลงไปเพราะการทําบุญจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจ ที่จะทำให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ <Yeah. S 1> การทําบุญทําทานจะทําให้เรามีกําลังที่จะรักษาศีลห้าได้ <Yeah. S 1> เมื่อเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาศีลแปดได้ <Yeah. S 1> พอรารักษาศีลแปดได้เราก็จะสามารถไปบําเพ็ญปฏิบัติธรรมได้ <Yeah. S 1> ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบได้น yeah. เมื่อเราสามารถทําใจให้สงบได้เราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบเราก็จะสามารถสอนใจให้เลือกหาความสุขจากทางร่างกายจากทางตาหูจมกูกลิ้นกายได้เราก็จะเลือกทําตามความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะเลือกได้ความอยากที่จะให้ หาความสุขจากบุคคลนั่นบุคคลนี้หรือจากการเป็นเป็นนั่นเป็นนี่เราก็จะเลิกได้หรือความอยากที่จะอยู่แบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะเลิกมันได้เพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะปล่อยวางเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ใช้มันไม่ได้อาศัยมัน ว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าร่างกายก็คือความสงบให้ความสุขกับเราพอเราทำได้แล้วเราก็จะทำลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองหรือร่างกายของผู้อื่น พราะเราไม่ได้พึ่งเราไม่ได้อาศัยเขาอีกแล้วเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดติดกับสังขารทั้งหลายเราก็ต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเพื่อมาสร้างที่พึ่งอันใหม่สร้างความสุขแบบใหม่กัน พอเรามีความสุขแบบใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งสังขารร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าการปล่อยวางสังขารทั้งปวงเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารเป็นความสุขอย่างยิ่งให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามอยากจะถามคําถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่ขอตอบคําถามอีกถ้าอยากจะถามขอเชิญถามตอนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวก่อนจะถามก็จะให้พิธีกรนําเอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณออกยาพาราเซตามอล ข, ขอพระอาจารย์ช่วยเทศนาเรื่องที่ชาวไทยทั้งประเทศกำลังตกในภาวะเศร้าหมองตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะไร้ซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวเหลือเกินครับก็ได้สอนไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้มาแล้วว่าให้เราเลิกไปยึดติดกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ เพราะเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทําให้เราเศร้าหมองให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่จากเราไปก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขอให้เราเอาเหตุการณ์อนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าการที่เราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนเวลาสิ่งที่เรายึด ที่เราติดนี้ต้องมีการพัดพากจากกันไปฉนั้นให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่พัดพากจากเราดีกว่าก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาค่ะคำถามจากคุณอภิสิทธิ์ขอถามเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศล ให้ได้เกิดได้พบกันจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานเราจะสร้างอย่างไรทําอย่างไรเหมือนกับคำว่าขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปรวมถึงในครอบครัวคนรักและเพื่อนครับมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปกาหนดสิ่งที่มันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวแปรต่าง ที่พาให้เรามาเกิดได้ในเวลาเดียวกันลองเปรียบเทียบดูถ้าเราขับรถสองคันไปด้วยกันเนี่ยบางทีเดียวก็ไปไม่ทันกันละคันหนึ่งไปติดไฟอีกคันหนึ่งไม่ติดไฟมันก็ตามกันไม่ทันแล้วดังนั้นเรื่องของการที่จะไปพบกันในอนาคตนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากที่ยากเห็นไม่สำคัญเพราะว่าเราไป ผูกใจไปติดอยู่กับของที่ไม่แน่นอนเราไม่ควรที่จะไปผูกใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะมันจะทำให้เราเสียใจเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้เรามาผูกใจกับสิ่งที่แน่นอนที่เราสามารถาให้มีอยู่กับเราได้ตลอดก็คือความสงบของใจนี่ การที่เราไปติดกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราได้รับความสุขจากเขาเราก็เลยอยากจะได้เขามาให้ความสุขกับเราไปเรื่อ ย, อยแบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เขาไม่เป็นของที่แน่นอนเขาจากเราไปแล้วไม่รู้เขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่กลับมาอีกแล้ว ถ้าเราอยากจะพบกับพบระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปหาท่านที่ท่านอยู่เท่านั้นก็คือต้องไปนิพพานกันดังนั้นถ้าเราอยากจะไปพบกับบุคคลที่เราลักเราก็มาปฏิบัติธรรมกันนะเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่นิพพานกันเพราะพวกเราทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่ที่ไปการไปนิพพานนี้เองถ้ามาตั้งเป้าหมายอยู่ที่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คิดว่าชงจะยาก เพโอกาสจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันยังจะไปกําหนดเวลาว่ามันจะต้องมาเกิดมาเจอกันได้นี่อาจจะเป็นได้สําหรับบุคคลบางคนบุคคลพิเศษเนี่ยที่มีวาสนาบารมีเท่าเทียมกันทําอะไรพร้อมเพรียงกันอย่างรถสองคันถ้าจะให้มันไปด้วยกันมันต้องมีอะไรผูกมีเชือกมีโซ่ล่ามติดกันไว้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะไป ไปทันไปด้วยกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างขับกันนี้เดี๋ยวมันก็มีช้ามีเร็วรถอาจจะช้าอาจจะเสียอีกคันหนึ่งอาจไม่เสียงนี้ก็อาจจะไปไม่ทันกันดงั้นเรื่องของอนาคตรเรื่องของการที่จะมาเกิดพบกันนี้มันไม่ได้เป็นของที่จะกำหนดกันได้อย่างง่ายๆขอให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นจะเสียเวลาไปเปล่า ให้เรามาคิดว่าให้เรามาเลิกพึ่งสิ่งต่างๆจะดีกว่าให้เรามาพึ่งตัวเราเองพึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งกับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเกิดไปพบกันทุกภบทุกชาติเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะมันเป็นไปได้ยากคำถามจากคุณเกียวแฝกมุงป่า ผมจะเริ่มนั่งสมาธิอย่างไรดีครับใจไม่สงบเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีใจกระโดดออกไปที่นั่นไปที่นี่ท่องพุโทโธก็ไม่อยู่นับเลขก็ไม่อยู่มีอุบายอื่นแนะนำไหมครับก็ต้องหัดท่องทั้งวันเน่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเรื้อยๆพุโทโธไปทั้งวันจะหยุดพุดโทโธก็เฉพาะเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทางานต่างๆ ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็อย่าปล่อยให้คิดเพอเจคิดเพ้อฝันคิดฟุ้งซ่านคิดไปตามความอยากต่างๆดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่มีการฝึกแบบนี้เวลามานั่งก็ไม่มีวันที่จะสงบได้งนั้นต้องพยายามหัดพุดโทโธหัดสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วไม่ใช่มาสร้างเฉพาะตอนที่เวลาเรานั่งเท่านั้น เราต้องทำตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งทำตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนถึงเวราหลับไปถ้าเราตั้งใจทำจริงๆไม่ยากหรอกเจดวันก็ได้พระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วการจเจริญสติ น, นี้ถ้าตั้งใจทำจริงๆเจ็ดวันก็ทำได้มันจะไปยากตรงไหนค่อยควบคุมใจเราให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายก็ได้ค่อยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาพอลืมตาขึ้นมาก็เฝ้าดูไปเลยร่างกายกำลังอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไร ก็เฝ้ามันไปดูมันไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราคิดถ้าเราเฝ้านี้เราก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นพอเรานั่งสมาธิมันก็สงบพอสงบแล้วเราก็สามารถที่จะสอนใจให้เลิกยึดติดกับสิ่งต่างๆได้พอเราเลิกยึดติดกับสิ่งต่างๆได้เราก็บรรลุได้พระเจ้าสอนง่ายตรงไปตรงมาเจ็ดวันถ้าขยันจริงๆก็เจ็ดวันถ้าขี้เกียจหน่อยก็เจ็ดเดือน ถ้าเกียจมากก่อนนั้นก็เจ็ดปีต้องได้แน่ๆขอให้ทำเท่านั้นแหละคำถามจากคุณเจบศิลาช่วงเช้าจะนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยสวดมนต์แผ่เมตตาถ้านั่งสมาธิยาวโดยไม่สวดมนต์และแผ่เมตตาในตอนเช้าได้ไหมคะปกตินั่งก็จะฟุง้งถ้ามีเวลานา น, านขึ้นอาจทำให้ดีขึ้น ได้นั่งโดยที่ไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เพราะเราต้องการความสงบเป็นหลักจากการนั่งสมาธิแต่ถ้านั่งแล้วมันฟุ้งก็แสดงว่าสติเราไม่มีกาลังเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นด้วยการดึงใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการข่อนไหวของร่างกายไปตลอดทั้งวันแล้วเวลามานั่งจะมีกำลังมากแล้วจะทำให้สงบได้เร็วและนั่งได้นาน คำถามจากคุณลีเซียมฮุยเมื่อนั่งสมาธิช่วงเริ่มต้นนั่งมีความรู้สึกว่ามีความฟุง้งซ่านมากแต่เมื่อผ่านไปได้สักระยะประมาณ30สนาทีรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ดีๆความคิดทั้งหลายหายไปเป็นความอยู่เฉยๆแต่ไม่นานนักแล้วกลับมาฟุง้งซ่านใหม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปทาให้บ่อยขึ้น แล้วพยายามใช้สติให้มากเวลานั่งก็อย่านั่งเฉยๆต้องมีสติควบคุมใจคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาถ้านั่งเฉยๆจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีสร้างสติก็ได้แต่ก่อนจะมานั่งก็ต้องสร้างไว้ก่อนถ้าไม่สร้างไว้ก่อนมาสร้างตอนนี้นั่งมันไม่พอกาลังจะไม่พอ คำถามจากคุณประยงกองพงกับเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติค่ะขณะทำงานบ้านหรืองานอื่นๆจากกำหนดอาณาปานาสติพุโทโธเมื่อจิตเจดจ่อที่พุโทโธความรู้สึกทางกายจิตจะดับผู้หายไปหมดไม่มีความรู้สึกใดเลยถ้าเดินก็ล้มทั้งยืนขับรถก็ตกข้างทางโย่าดเจ็บจากการทำอาณาปานาสติหลายครั้ง แรกๆที่ดับวู ก, ก็คิดว่าเป็นลมพยายามแก้ไขมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่ทำให้เกิดผลเสียคือจีดเกิดอาการหวาดระแวงในการเจริญขณะทางานอาณาปณะสติปัจจุบันนี้โยมจะทำได้เฉพาะเวลานั่งสมาธิไม่ควรทำขณะทำงานได้เลยค่ะก็ตามปกติก็กทาแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้น นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเวลาทํากิจกรรมก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปจะได้ไม่ทําผิดพลาดกํากลังขับรถก็ต้องอยู่การขับรถไม่ใช่ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวรถมันก็ชนกันค่ะำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งยอมหยุดเย็นนี้สามารถได้รถใช้รถทิฐิมานะได้ใช่ไหมคะ ได้ถ้าเรายอมแพ้เราก็เราก็จะหยุดต่อสู้เมื่อเราหยุดต่อสู้ใจเราก็เย็นสบาย้อ yeah. ที่สองถ้ายอมจริงๆก็ไม่ต้องหาเหตุผลเหมือนที่หลวงพ่อชาว่าจะปล่อยวางก็ไม่ต้องอ้างเหตุผลคือถ้ายอมแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดเอามาพูดให้เสียเวลายอมคือยอมก็เท่ากับวางเท่ากับปล่อยคือสักแต่ว่า คิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคิดเน่ยคิดได้เนี่ยทําได้ไม่เปล่ามาแล้วอถ้ายอมได้ก็ไม่ต้องคิดก็ปล่อยเลยยอมก็ไห่อยทุกอย่างไปอพอถึงเวลามันจะยอมไม่ยอมเลยเหมันเวลาคิดมันก็คิดยอมได้พอใครมาด่าหน่อยนี่ด่ากลับเลยนี่มันจะไปยอมเลย ถ้ามีคำถามทางบ้านก็ถามเข้ามาได้ตอนนี้จะมีคำถามจาก Facebook Facebook คำถามแรกจาก Facebook นะครับจากคุณพักธิลานะครับเวลานั่งสมาธิแล้วน้ำตาชอบไหลออกมาเหมือนว่าเราร้องไห้เป็นเพราะอะไรคะมก็เป็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจเวลานั่งสมาธิก็ให้เราสนใจกับอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจดูลมก็ดูลมไปพูดโทก็พูดโทไป ส่วนน้ำตามันจะไหลก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าไปสนใจไปอยากจะรู้มันเป็นอะไรมันก็จะทำให้เราเสียสมาธิไปแล้วใจก็จะไม่สงบนั้นไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็แล้วกันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไรคาถามที่สองจากคุณวัชรินทร์นะครับ อยากทราบว่าผู้สแสวงหาพุทธภูมิหมายความว่าอย่างไรครับคาว่าพุทธภูมิก็คือการที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่มีใครสอนคนที่ตั้งพุทธภูมิแต่ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเขาก็มักจะเปลี่ยนเป้าจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิเพราะว่ามีคนสอนแล้วก็ไม่ต้องไปสอนตนเอง คนที่ต้องสอนตนเองก็เพราะไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่ท่านไม่มีใครสอนท่านก็เลยต้องสอนตนเองก็เลยต้องเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองแต่ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่เสียเวลามาสอนตนเองเพราะช่วงที่ท่านศึกตอนที่ท่านปฏิบัติท่านก็ศึกษาหาครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้ต้อง ต้องสอนตัวเองต้องให้ค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าไปนั้นการที่จะบอกว่าไปตั้งเป้าว่าเป็นพระพุทธภูมิหรือเป็นสาวกภูมินี่มันเป็นมันสิ่งที่ตั้งไม่ได้หรอกเราเพียงแต่ตั้งได้ว่าเราต้องการไปนิพพานนี่เราจะไปยังไงก็แล้วแต่ภาวะที่เราไปไปไปพบถ้าเราไปพบครูบาอาจารย์เราก็เป็นสาวก เราก็เป็นสาวกไปเจอพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องไปหาทางให้เหนื่อยง่ายกว่าถ้าไม่มีใครสอนก็ต้องสอนตัวเองค้นหาทางด้วยตนเองถ้าสำเร็จก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาไปเรื่อยๆต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหรือจนกว่าจะไ ป, ะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์องค์ใหม่แล้วท่านก็สอนเราเราก็เป็น เราก็เป็นสาวกไปคำคว่าสาวกหรืพอพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของผลคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เท่ากันเรื่องของการไปถึงนิพพานนี่เท่ากันถ้าเป็นปริญญาเอกก็เป็นปิญญาเอกเหมือนกันปริญญาเอกจากการเรียนด้วยตนเองหรือปัญญาเอกจากการเรียนจากอาจารย์มันก็ได้ปิญญาเอกเหมือนกัน และไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องผลของของการปฏิบัติมันต่างกันตรงวิธีการที่จะไปถึงผลนั่นท่านั้นเองคนหนึ่งต้องไปด้วยด้วยด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด, ด้วยการสั่งสอนตนเองอีกคนหนึ่งไปด้วยการสั่งสอนของผู้อื่นเพราะมีผู้อื่นสอนมันง่ายกว่าเช่นเราไปเรียนปรัญญาเอกกับผู้อื่นก็ห้าปีก็จบถ้าเราคนคว้าเองยี่สิบปีก็ไม่รู้จะได้ปัญญาเอกหรือเปล่า งนมันมันมันต่างกันทนี่ว่ามันยากหรือมันง่ายเท่านั้นเองดังนั้นไม่มีใครเขาบ้าไปตั้งว่าจะไปเป็นพระพุทธภูมิหรือไปเป็นสาวกภูมิเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะไปเป็นอย่างไรกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนตัวเองไปค้นคว้าไปเองแล้วถ้าสาเร็จก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองก็เท่านั้นเอง ดังนั้นการเป็นสาวกเลยเกณฑ์การเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีความแตกต่างกันในด้านผลที่จะได้รับต่างกันก็ั้ที่ตองที่วิธีการหาผลนั้นทน่านเองหาด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าหาด้วยการได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกเท่านั้นเองําว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังคำถามต่อไปจากคุณบุตรพุทธนะครับ ขัรเรียนถามว่าการที่เราไปทำบุญตามที่ต่างๆแล้วได้ใบเสร็จรับเงินใบอนุโมทนาแล้วเรานำมาหักภาษีเงินได้เราจะได้บุญจากการกระทําอย่างนี้หรือเปล่าคะเพราะเคยได้ยินมาว่าเป็นการทำบุญแล้วขอคืนเราได้เงินคืนหรือเปล่าเราทำไปร้อยแล้วเราไปหักภาษีแล้วเราได้คืนมาเท่าไหร่ยีบบาทนีทำร้อยได้คืนมา20ก็แสดงว่าเราทำก็แปิ ทำ80แล้วเราจะไปเอาผลลอยได้ยังไงถ้าเราอยากจะได้ผลน้อยเราก็ต้องอย่าไปหักภาษีทําไปร้อยแล้วก็ก็ให้มันหมดไปเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะต้องการเอาเงินคืนเราต้องการบุญบุญจะเกิดจากการที่เราเสียสละทรัพย์สมบัติที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นไปเพราะเราจะได้ปล่อยวางสังขารไง เงินทองนี่ก็เป็นสังขาร น, นี่าเมื่อเรายึดติดเราก็จะทุกเวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกเวลามันจากเราไปการที่เราเอาเงินไปทาบุญก็เหมือนกับการปล่อยวางเงินทองนี้เองเราต่อไปเวลาที่เราจะต้องจากเงินจากทองไปเราก็จะไม่รู้จักรู้สึกทุกเพราะเราจะคิดว่าเป็นการทำบุญไป ทำทานต่อไปจากคุณมุกดานะครับกรณีสายบาทตอนเช้าทุกวันและบ่ายสองฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันอ น, นิสงฆ์เท่ากับไปทําบุญที่วัดไหมคะก็เหมือนกันเนี่ยก็ได้ทําทานเหมือนกันได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แล้วสมัยนี้เรามีสื่อต่างๆมีอะไรต่างๆที่สามารถทําให้เราสามารถทําอยู่ที่ไหนก็ทําได้โอนเงินบนเครื่องบินก็ได้น ฟังเทศฟังธรรมลนเครื่องบินก็ได้เดินทางไปไหนก็เปิดฟังได้ถ้ามีสัญญาณอันก็ทำที่ไหนก็เหมือนกันเพราะผู้ที่ทำก็คือเราเราต้องการปล่อยวางเนี่ย้นเราปล่อยวางที่ไหนก็ได้ปล่อยที่วัดก็ได้ปล่อยที่บ้านก็ได้การกระทำทั้งหมดนี้เป็นการปล่อยวางสังขารดันนนงนั้นเงินทองที่เราทำไปก็ปล่อยวางเงินทองอาการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อศึกษาวิธีปล่อยวางสังขารต่าง คำถามต่อไปจากคุณบีนะครับเราสามารถอุทิศบุญกุศลแด่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วรวมถึงผู้ที่มีบุญบารมีสูงกว่ามากอย่างเช่นในหลวงในพระบรมโกศท่านสามารถรับได้หรือไม่คะเราส่งไปได้แต่อยู่ที่ว่าท่านรอรับหรือไม่ถ้าท่านมีบุญมากท่านก็ไปเสวยบุญของท่านท่านไม่ต้องมารอรับส่วนบุญพวกที่มารอรับส่วนบุญนี้คือเป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไป เป็นเหมือนพวกขอทานเนี่ยอย่างเปรียบเทียบสมัยนี้ที่มีการอบพยศเวลาเกิดสงครามกลางเมืองพวกที่เขามีเงินมีทองเขาก็ตีตัว๋วเครื่องบินไปจองโรงแรมจองที่พักไปขอวีซ่งวีซ่าไปเข้าประเทศได้ใช่หไหมแต่พวกที่ไม่มีเงินทองก็ต้องอหอบลูกจูงหลังเดินข้ามพรมแดนไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตามแคมป์ต่างๆ พวกนี้ก็ต้องรอรับการช่วยเหลือจากผู้อก็นี่ก็เป็นเหมือนพวกที่จะรอรับส่วนบุญก็คือพวกที่ไม่ได้เตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองตีตั๋วทำวีซ่าไว้พอถึงเวลาจะต้องเดินทางก็ไม่มีทางไปก็เลยต้องหอบลูกจุกหนอนไปอยู่อาศัยตามแคมป์ต่างๆก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทาบุญไว้ผู้ที่เขาทาบุญไว้เขาก็ไป รับผลบุญไปเป็นเทวดาไ ป, ปไปเป็นพรมไปเป็นพระอริยะเจา้าแล้วแต่บุญที่เขาทาไว้ว่าเขาทาในระดับไหนเขาก็จะได้ไปรับผลบุญของเขาในระดับนั้นบุญที่อุทิศนี้ก็เป็นเหมือนกับของที่เราไปรับตามแคมป์ผู้อพยพเนะี่ยคนที่เขามีเงินไปอยู่โรงแรมห้าดาวเขาคงไม่มานั่งรอรับไอ้ไอ้ของที่เขามาจ่ายตามแคมป์หรอเนี่ยนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่ถ้าเราเคารพรักท่านเราอยากจะอุทิศ พระราชจะเป็นพระราชกรุส่ก็ทําไปผู้ที่จะได้รับจริงๆก็คือเราเนี่ยพวกเราบางทีถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วมักจะไม่ยอมทํากันมักจะเอาเงินไปเที่ยวกันซื้อไอโฟนกันซื้อของเล่นกันถึงต้องรอให้มีเหตุการณ์อย่นี้เพื่อเพื่อเราจะได้มาทําบุญมาเตรียมเตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองเตรียมทําวีซา่าเตรียมเตรียมตีวตีตั๋วเครื่องบิน เวลามีเหตุการณ์จาเป็นที่จะต้องโยกย้ายที่ก็จะได้ไปอย่างสบายไม่ต้องไปแบบผู้ อ, อพยพไปกันคำถามต่อไปจากคุณสุภัชชีรานะครับตามมัชมีองค์8ดแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญามัชสามองค์คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีพเป็นหมวดของศีลแล้วคนที่หาเลี้ยงชีพโดยการขายหวยถือเป็นเลี้ยงชีพโดยม่ชอบใช่ไหมเจ้าคะ ก็มันก็เป็นอาชีพที่สุดเจริญเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อน<ม>การขายหวยก็เป็นหวยก็เป็นสินค้าอันหนึ่งเขาขายไปก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายตรงไหน<ม>ก็คิดว่ายัางเป็นอาชีพที่ใช้ได้อยู่มไม่ได้เป็นมิจฉาชีพมันไม่ได้ไปทําให้ชีวิตของผู้อื่นเขาตายไปเหมือนกับการไปขายยาพิษขายมีดขายปืนอะไรพวกนี้ห<ม>รือขายสัตว์ ข้าเอาเลี้ยงสัตว์มาแล้วไปขายไปฆ่าไปขายอย่างนี้มันถึงเป็นมิจฉาชีพนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่ใช้ได้อยู่ครับถามต่อไปจากคุณอินดี้นะครับการนั่งสมาธิสามารถสร้างบุญกุศลและสร้างความดีได้อย่างไรครับก็ความสงบนี่แหละเป็นบุญที่สูงสุดความสุขทั้งหมดที่เราบุญทั้งลต่างๆที่เราทํานี้สู้บุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบไม่ได้ ก็เป็นความสุขเต็มร้อยความสุขที่ได้จากการรักษาศีลก็เป็นร้อยละห้าสิบหรือร้อยละสามสิบความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานก็ร้อยละยี่สิบอะไรทานองนี้แต่ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะได้เต็มร้อยเพียงแต่ว่ามันเป็นเต็มร้อยชั่วครั้งชั่วคราวขณะที่สงบพอจากความสงบมามันก็จะลดลงไปได้ ถ้าอยากจะให้มันเป็นเต็มร้อยตลอดเวลาก็ต้องทําบุญที่เรียกว่าปัญญาต้องมีปัญญาที่จะคอยกําจัดตัวที่จะมาทําลายความสงบก็คือความอยากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นทําให้ความสุขเต็มร้อยนี้เต็มร้อยตลอดเวลาคําถามต่อไปจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับสามีของลูกเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตทําอะไรต้องคิดล่วงหน้าไปก่อนเครียดไปก่อนรถติดก็เครียด ลูกไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดพอลูกไม่เครียดด้วยก็ไม่พอใจหาว่าไม่ทุกร้อนลูกบอกเขาว่าจะเครียดทําไมกดดันตัวเองไปทําไมในเมื่อเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปหาว่าเราไม่ช่วยคิดลูกจะบอกเขายัางไงดีคะเพราะว่าข อ, อยากันดีกว่า <laughs> ไม่คนละทางอนะอยู่ไปก็ทุกไปเปล่า <laughs> <laughs> อยู่กันไปทำไมอยู่แล้วกระทุกกันเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันก็เพื่อให้มีความสุขกันพึ่งพาอาศัยกันถ้าอยู่กันแล้วทะเลาะ ก, กันก็อย่ายอยู่กันดีกว่า <laughs> คําถามต่อไปจากคุณตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานะครับ <laughs> <laughs> เราสามารถมีศินแปดอยู่ที่บ้านได้ไหมครับเพื่อเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์นในการปฏิบัติภาวนาในเมื่อเราต้องทําตามภาระหน้าที่ที่สมควรต้องทําจะต้องจะถือสินแปดอยู่ที่บ้านได้ไหมครับจนถึงวาระที่สมควรได้อยู่ที่ว่ามันยากง่ายต่างกันท่านนีน่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่กับคนอื่นที่ก็ไม่รักษาศินแปดมันก็อาจจะขัดกันอาจจะทําให้มาการรักษาศินของเรายากเพราะมีอะไรมายั่วยวนกวนใจ เช่นคนเขาเปิดทีวีดูเปิดเพลงฟังเขานั่งกินข้าวเย็นกันเรามาถือศีลพอเห็นเขาทำมันความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะทําให้รู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเราไปอยู่ที่เขาไม่มีการทํากิจกรรมอย่างนี้มันก็จะง่ายกว่าเช่นไปอยู่วัดที่มีคนปฏิบัติเหมือนการรักษาศีลแปดเหมือนกั น, ก น, 8, อ, น, กนอย่างนี้ก็จะมีอุปสรรคน้อยกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ที่วัดถึงจะรักษาได้รักษาได้ทุกข์ขแห่งอยู่ที่กําลังใจของเราว่าเรามีความเข้มแข็งพอหรือเปล่าถ้ารักษาที่บ้านได้ก็ดีรักษาไปเลยแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็อาจจะต้องหาเวลาไปรักษาที่วัดต่อไปพอเรามีกําลังแล้วเราไปรักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่ไหนก็ได้คําถามต่อไปจากคุณเดียนะครับ เวลานั่งสมาธิเรานั่งตามสบายได้ไหมครับไม่เอามือขวาทับซ้ายแต่วางไว้ที่เข่าได้ไหมครับได้เพราะว่าการนั่งจริงๆก็อยู่ที่อยู่ที่การมีสติควบคุมความคิดของเราเท่านั้นเองขอให้มีสติควบคุมความคิดแล้วใจก็สงบได้ไม่ว่าจะนั่งในท่าไหนเพียงแต่ว่าที่เขามีท่าแบบนะั้นเพื่อให้ดูสวยงามดูเรียบร้อยแต่ถ้าอยากจะนั่งแบบสบายก็ตามใจ คำถามต่อไปจากคุณชานนท์นะครับการอ่านหรือฟังธรรมะถือเป็นการเจริญสติได้ไหมครับได้ถ้าอ่านโดยที่ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเจริญก็เรียกว่าธรรมานุสติใช้ธรรมะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งของสติเวลาเรานะ่ะอ่านหนังสือธรรมะธรรมะก็จะกล่อมใจเราเพราะว่าธรรมะนี้เป็นของเย็นอ่านแล้วก็จะทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบไม่เหมือนกับอ่านอ า, อาจฉรกรรมอ่าน ข่าวค่าวอะไรต่างๆอ่านแล้วก็ทำให้ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมางนั้นการอ่านหนังสือธรรมะก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเหมือนกับการเจริญพุทธานุสติคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณอรุณศรีนะครับาากา ร, ร, ราที่มีลูกคิดไม่เป็นแม่ต้องทำใจอย่างไรถึงดีก็ทำใจว่าเขาเป็นอย่างนั้น ถ้าเราพยายามสอนเขาแล้วแล้วเขาไม่สามารถทำตามที่เราสอนได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฐานะของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่คอยเปรียบเทียบว่าเขาเป็นเหมือนผลไม้เช่นเขเป็นกล้วยแล้วเราอยากให้เขาเป็นส้มอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นเราจะเราก็ต้องเลิกความอยากของเราต้องยอมรับความจริงของเขาว่าเขาเป็นกล้วยก็ให้ก็เป็นกล้วยไป แต่เราอยากให้ก็เป็นส้มมันเป็นไปไม่ได้เขาคิดไม่เป็นเราอยากให้เขาคิดเมื่าเขาคิดไม่เป็นสอนเขาแล้วเขาก็ไม่คิดเราก็ต้องทำใจเท่านั้นเราถึงจะสบายใจมีสองคำถามนะครับจากคุณโมนีนะครับการให้อาหารสุนัขจรจัดและช่วยเหลือสัตว์ถือว่าเป็นการทำบุญไหมคะเป็นก็เหมือนกับการใส่บาตรพระนะรก็ให้อาหารเหมือนกันเพียงแต่ผู้ที่รับนั้น การที่จะเป็นพระก็เป็นสุนัขแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้รับผู้ที่เราทําบุญด้วยก็มีความต่างกันถ้าเราทําไปทำบุญกับพระเราก็ได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ธรรมะเป็นผลตอบแทนด้วยนอกจากบุญแล้วบุญก็คือความสุขใจที่เราได้ให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเรายัางได้ของแถมคือได้ฟังเทศฟังธรรม ถ้าเราให้กับสุนัขเราก็จะให้มันเลียเรามันก็จะเห่าให้เราอะไรทานองนั้นก็ประโยชน์จากผู้รับก็จะต่างกันอยู่ที่ความสามารถของผู้ที่เราไปทำบุญว่าเขาสามารถทำอะไรให้กับเราได้ถ้าเราต้องการผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องไปเลือกกับคนที่มีความสามารถมาก เขาจะได้สอนเราบอกเราในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วทําให้เราฉลาดขึ้นเก่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไปทํากับคนที่เขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทําให้เราเก่งให้เราฉลาดเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนั้นประโยชน์ที่เราได้รับเหมือนกันก็คือความสุขใจที่เกิดการเสียสละเข้าของเงินทองของเราให้แก่เขาไปเท่านั้นเองอันนี้เหมือนกันทํากับใครได้เท่ากันปลายนกปล่อยปลาเลี้ยงสัตว์ ใส่บาททําบุญโรงพยาบาลโรงเรียนถ้าเป็นจํานวนเงินเท่ากันก็ได้ความรู้สึกคือความสุขใจเหมือนกันเท่ากันแต่ประโยชน์จากการที่จะได้รับจากสถานที่หรือบุคคลต่างๆก็ไม่เหมือนกันคําถามคําถามต่อไปจากคุณจําปานะครับกราบค่ะสงสัยว่าที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วทําไมกันองค์ต่อมาจึงต้องค้นหาอริยสัจอีก ในเมื่อคนพบอริยสัจเหมือนกันเพราะว่าอริยสัจนี้ไม่ได้รับการสืบทอดไ ม, ม่ไม่ได้รับการเผยแผ่มันก็หายไปจากความทรงจําของมนุษย์นสมัยที่พระเจ้าทรงหาอริยสัจสี่ก็ไม่มีใครในโลกนี้จําได้ใชแล้วก็เลยต้องหาเองเพราะว่าใน คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มันก็จะเจมันก็ค่อยเลือนลางหายไปจากความทรงจําของมนุษย์เราอย่างของเราของพุทธศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายไว้ว่าประมาณห้าพันปีอริยา ศ, าศาสตร์สี่นี้ก็จะจางหายไปจากความทรงจําของมนุษย์ทั้งหมดผู้ที่จะมาหาอริยาศาสตร์สี่จะไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็ต้องหาเองเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ท่านบําเพ็ญ ช่วงนั้นอริยาศาสตร์สีก็หายไปจากความทรงจําของมนุษย์ทั้งหมดแล้วเพราะยุคที่มีพระพุทธเจ้าครั้งก่อนนะั้นมันก็เป็นหลายล้านหลายกับปีด้วยกันมันถึงมันไกลมากมันก็เลยจางหายไปพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เหมือนกันภายในห้าพันปีก็จะไม่มีใครรู้จักอริยาศาสตร์นะ เดีว่าแต่ห้า0ันปีสมัยนี้คนไทยที่เป็นชาวพุทธลองไปถามว่าคุณรู้จักอริยาาสัจสี่หรือเปล่าฮะเป็นอะไรคุณพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมแม้แต่คนเข้าวัดบางทียังไม่รู้อริยาาสัจสี่เป็นยังไงเลยพอเข้าวัดก็เข้าไปแบบถูกเข้าสอยไปวัดใส่บาตจบกวดน้ำเสร็จกลับบ้าน ก, ก็ทำไปอย่างนั้นก็ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่รู้กัน ดังต่อไปก็ไม่มีใครจะรู้ว่าอริยาาสัจสี่เป็นยังไงคนที่อยากจะมาเป็นไปนิพพานก็ต้องไปหาเองคนที่หาเองได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอเป็นพุทธเจ้าแล้วก็อริยสัจสีนี้มาสอนคนอื่นแล้วคนอื่นก็บาลรับช่วงสอนต่อไปสอนต่อไปเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงอริยาาสัจสี่ครั้งแรกก็มีห้าคนฟังห้าคนก็รับไปสอนต่อจากห้าก็เป็น คูณไปเรื่อยๆจากห้าก็เป็น 5. 5ยี่ห้าห้าคูณห้าอย่างยี่ห้าคูณยี่้าก็เป็นหกร้อยี่ห้ามันก็จะขยายไปเรื่อยๆคนก็จะรู้จักกรารยาศาสตร์กันไปเรื่อยๆแล้วไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มหดนะคนที่จะสนใจมาศึกษาก็จะน้อยลงไปยิ่งถ้าอยู่ในยุคที่มีความเจริญทางวัตถุมากทางกิเลสมากมันก็จะไปสนใจทางกิเลสทางวัตถุกันอย่างสมัยนี้โลกเรามันจเจริญทางวัตถุกัน คนก็เลยไปสนใจในเรื่องการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วการกันเมืองไทยเรานี้เป็นตัวอย่างสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่โรงเรียนสอนอริยาศาสตร์สี่กันทุกชั้นทุกห้องเดี๋ยวนี้ถามเด็กที่เรียนสมัยนี้มันรู้จักอริยาศาสตร์สี่กันไมไม่มีใครรู้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็ตัดวิชาพุทธศาสนาไปแล้วเพราะก็าเสียเวลาเอาเวลามาสอนมิตรีหาเงินดีกว่า เขาก็เลย ต, ตัดไปตัดไปต่อไปก็จะไม่มีใครที่จะรู้อริยสัจสีกันคำถามต่อไปจากคุณธรรมชาตินะครับเวลานั่งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆจิตใจจะดิ่งนิ่งบางครั้งทำให้เกิดสุขเป็นการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นหรือไม่ถ้าจิตนิ่งจิตสงบก็เกิดสุขก็เป็นการพัฒนาไปในทางที่ถูกควรจะทาให้บ่อยให้มากและให้นานต่อไป หือกี่คำถามหมดแล้วครับหมดพอดีนะอ่าก็ดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาเพื่อไปดับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียบุคคลที่เราลากไป ก, ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ